สบายดีเนาะสบายดีเปล่าคำภาษาไทยง่ายๆ่ายก็สบายดีมันหายยากนะคือทั้งสบายด้วยดียด้วยนะหายยากนะสบายคือสัพะยะ ก็ดีก็คือคนมีสินธรรมนี่ทามาสบายดู่ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่สุขภาพกาถามกันสุขภาพกายสุขภาพใจไม่เคยถามกันถามนายาถามว่าใจดีหรือเปล่ากูไม่เคยกล้าถามเนละ เห็นหน้ากันใจดีหรือเปล่าตลวงพ่อถามสบายดีมามกต็ตอบไปงั้นละควดีกับสบายดีของมันกับเราถึงเรื่องดีๆไปก่อนวันนี้วันที่สองวันเสาร์พรุ่งนี้ วันที่สามวันที่สี่จะเป็นวันตายวันเกิดหลวงพ่อทำบุญคำวันที่ทท 3, สามไมเจริญพุทธมนต์เช้าสี่ก็ไปฉันที่นั่นวันที่เก้ารอบมองรภาพของปู่อินสมุสวิโลครรอบหนึ่งปีวันนี้พอทําบุญที่วัดปาธรรมสันติต้องอวันพระนา ก็คนี้ต้องไปจันเพราะว่าอ่อนเผาก็ไม่ได้ไปไปตรงกับหลวงปู่้องสุขเลยไม่ได้ไปส่วนกลางเดือน1 3บสามสิบส่สห้าเปวันคลายวันมรภาพหลวงปู่สุขอุทัยชาร ของผมดันเราองจากไปรับพัดสิบสองเสียงหามาไปรับพัดกลับมากันคืนวันที่สิบสามเมื่อ จ, จากเราไปไปตอไหนไม่ใครรู้รูนน้แต่ว่าก่อนน้นหลวงปู่ล้มแล้ววันวันที่หลวงปู่อย่มามโนภาพ ปกติหลวงปู่จะเข้าธรรมเดเสร็จก็จะทืดอตีสามก็จะตื่นอั น, นิี้ปกิจวัตรของของท่านประจํามื่จะนอนอยู่หลังทําพวันนั้นหลวงปู่ก่อนจะนอนเขบอกว่าเอามุ้งลงกดปูดนอนมุ้งกดเรือกรรมฐานใช่ไม้มก่อนจะไปไปยังกรรมฐาน ต่มุอนก็ทำไม่ครสงสัยธรรมดาคนนั้นหลวงปู่ไม่สบายกันแล้วก็กดลงปกติปืสามหลวงปู่ต้องออกมาทงวัดเขาไม่เห็นเ อ, อมามีโกโกรกอยากร้ถ้าคงจะเหนื่อยไปรับพัดแล้เลยไม่สบายเลยขอให้ท่านพักไม่ต้องไปเลือกเมื่อลุงปู่ไปลอด ไม่ต้องไปเรียกไปเรียกแต่เช้ามาตัวแข็งแล้วบุคลรถไปอินเดียนะไปอินเดียมามันก็ติดเชือ้อตอนเช้าตอนเช่นตอนเช้าก็ไม่ไปดูตาบัดเหมือนกันจนะต้องลงปูลงพักลงปูเราก็เหมือนกันตีสามเช้าหมางได้เวลาฉันก็ไปเรียกลุงปูเอา ปูไปแล้วนะก็แสดงว่าท่านรู้ตัวไปยังมีสตินนักปฏิบัติผู้าอาจารย์เราไปไปอย่างมีสติแล้วไม่หลงไม่หลงของตายหลงกัลยาณิยาร์หลงตายพวกนอนี้ตัวอย่างเล็กน้อยของครูบาอาจารย์ ยุคกเก่ยก า, ายุคโบราณมาชุบพวกเราเลยประโยบแปดประโยบเก้าประโยบยีย่สิบไว้กอย่ายกันหรือผลผว้องตามมาก็าเจ้งให้พราทาบเพืจะได้รู้ตอ น, นมีมติสองมติมติแรก เดือนที่แล้วบอกขาให้ตำรวจทหารว่าอย่างไรผู้บิชาการผู้บังคับการแล้วก็ระดับหัวหน้าในจังหวัดเป็นสัรป ร, รณ์ซึ่งก็ไม่รูู้่เกี่ยวข้องอะไรกันหรมาดูเลยมาตรวจต้งเริ่มตรวจแล้วเริ่มเข้าตรวจเงินของวัด เขาไมารู้อย่างรู้ไปทำไมเราว่าก็จีนปีนี้สมมติษษษษษได้มาสามสิบล้านโอเคตัวนั้นสามสิบล้านไปยังไงไมแล้วคณะวัดเขามาให้เก็บเงินเกินเงินสดไม่เกิดถึงแสนบาทอยากให้มาดูค่าใช้จ่ายจริงๆว่าเต่ละเดือน พวกเราหนึ่งค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียวเดือนเกือบสี่หมื่นน้ำค่าไฟอย่างเดียวาาค่ารถค่าลาค่ า, า, าจ้างคนขับมาเด็กๆไปโรงเรียนตอนนี้ไปเนน้อยไปช่วยทัานรถไปตัดยางหายไปเกือบเหลือสามค่าข้าวปอ า, า, าหารพัฒนาร าน้ำปานะ่ะเฉพาะที่เป็นหลักๆพวกเราเชื่อปลาไปท่าไหล่แล้วเจ็ดเป็นหมื่นแล้วนะแล้วก่าสร้างเนี่ยมันคิดอนะื อ, อื่ น, นเยเขาเขาไม่เห็นความความเป็นตามความเป็นจริงแต่นี้เงิน ต่อไปในเงื่อนไขธนาคารต้องไปเปลี่ยนหมดต้องมีอยเปกรเซ็นร่วมหมดแต่ว่าเรามันไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราทำํำรายรับรายจ่ายส่งสนักทุกปีของเรานี่โปร่งใสส่งทุกปีไม่มีปัญหาบัญชีรายรับรายจ่ายรายได้ได ตอนนี้ตามที่ทราบขอาก็คือจับคณะภาษังาัการเตรียมลาออกเพราะอยู่ได้ห้าสิบห้าสิบตันนี้อยู่ที่ดีบทเกิดโทรศัพท์เส้นเงินผิดปกติโอนจากเงินของส่วนตัวซึ่งเงินวัดทําโอนทางบัญชีไม่ได้ ธนาคารเขาไม่ทำให้ก็ต้องับอินเทอร์เน็ตเบงกิงเพราะเวลาจ่ายก็อะไรเราไม่ต้องไปธนาคารแต่เงินเงินวัดจะทำไม่ได้พราะวัดเป็นนิติบุคคลคนใดคนหนึ่งไปทำโดยพาาการไม่ได้ทีนี้สมรราโอนเพราะจชื่อขอหลวงพอนะ่อรคาคาปูนหินดินซายนกะ็โอนนะ่มันก็จะง่ายเงินวัดเขา ก็โอนจากเงินส่วนตัวเห็นจากเงินส่วนตัวเนี่ยเส้นทางการเงินถ้าถามเงินมาจากไหนถ้าเอาระให้ใครก็เหมือนวัดที่เดืยวโดนมาข่าวก่นอนนู้นก็ตรวจสอบที่ทางเส้นเ ง, งินนะสมมติว่าวันสานากพุทเรื่องเงินถ อ, อนวัดซึ่งตอนนี้ท่านก็ติดคุกฟรีตอนนี้ก็บอกบางวัดไม่มีความผิด แต่ติดคุกไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากฎหมายกับทำยังไง น, นี่อันไห น, ไ ม, ไนมันจะขางกว่ากันวันนั้นต่อไปจะทำไม่ได้แล้วก็เงินเงินเงินส่วนตัวแล้วเงินวัดจนวัดจะได้ทำโดยหรือเพื่อ ย, อยังไม่ได้ ประตูต ว, วัดตอนนี้ต้องแจ้งแจ้งบัสืึให้แจ้งบันทึก ว, วัดไม่รู้เหมือนกันในทางกฎหมายมีอำนาจหน้าที่อะไรในทางกฎหมายนะเพราะวัดไม่ขีวัดมันก็เลยเดือดร้อนทั้งหมดตอนนี้อันนี้ดาบแรกดาบที่สองเพิ่งมีมัติ เมื่อสามสิบที่ผ่านมามอสอประชุมกันแล้วว่าให้ตั้งคนในชุมชนหรือกรรมการวัดอีกคนหนึ่งเพื่อมาช่วยดูเลยดูได้วัดนี่จะโย่ยากหนักขอ้ไปอีกอยู่ยากหนักมากเพราบว่าสถานะปัจจุบันเนี่ยโยกเป็นวัดเราวัดรอบนอกวัดคณะอื่นเขา พ้ามีกรรมการวาดดัวดมีอวัยกรก็เริ่มมีปูจจา์จะมาคำหอตุเจ้าแล้วใชหมตุเจ้าไม่อยู่ในอบาดก็ลำบากแล้วเงินไปอยู่ที่กรรมการปัญหาที่จา ม, มาก็คือถราจะทำอะไรก็น่าจะยุ่งยากลำบาก เพราะว่าตำขออนุญาตปรึกษ า, าเขาให้ก็ได้ไม่ให้ก็คือไม่ได้บังการเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องอยุง่งยากความจริงน่าจะพระสามแสนกว่ารูปน่ไม่ถามท่านลักคำเลงในฐานะท่านพุทธุกรกัทําความสักคำเม่ท่านจะหาทางออกอยังไงปรากฏว่านี่เป็นความคิดของนัก นักการคนนี้ก็นักการที่เข้ามา ก, การอะไรก็เติมเข้าไปนักการหรือนักกินก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่หนึ่งตุลาลเป็นต้นไปจะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เพราะนั้นนันลายวัดเตรียมตัวลาออกพวกนไม่รู้จักกับหมอทั่อื่นเกินเงินเกินเข้ามาบาททำไงยีสิบบาทสามสิบาททำไงมันเหมือนที่เดินโดนมาโดนมาก็มายพราว่าเงินสนามพุทเขาจะให้ตังให้งบนั่นแหละมึงทำเรื่องไปของบ ขเขาบอกแจ้งมาอนุมัติอนุญาตสมมุติอนุญาตสิบล้านแต่วัดไม่มีตังค์ตอนนั้นสถานะตอนนั้นหนตังค์สมมติจะสร้างสํานักงานตอนนี้สถาวัดหรือพระโบสถ์ยังไม่มีตังค์ก็มีคนพวกเราสถาวัดเนี่ยบอกอไม่เป็นไรครับเอาขอผมออกไปก่อนคือสํารองใจนะก่อนแตน่พอได้ตังค์มาพอได้ตังค์มาพวก วัดก็แทนที่จะเข้าบัญชีอะไรไปก่อนไปโอนตังค์เขาตรงประเด็นคืออาวนนี้มันง้อประมาณคุณทำไมไปให้เขาคุณทำไมไปให้ชาวบ้านในทางกฎหมายนะเขาเรียกวผิดวัตถุประสงค์ทิ่โดนเขาอาจาจย์โดนก็คิดแบบพระก็ไม่อะไรคิดแบบพระแต่นี่พราะซาดิกา ตังสรนในการบอกว่าไม่มีเจตนาตอนนี้ผิดท่านไม่มีความผิดแต่ว่าท่านจับสึกแล้วยังไม่ได้ตัดสินตูเพียจับท่านสึกไปแล้วไล่จับสึกกันในระ น, นาดแล้วจะ ท, ทำไงจะ น, นีเก็ให้ตำรวจาจัดการนะหน้าที่ของเขาคือต้องอย่างนั้นตำรวจแล้วทำในไหนมีไว้ทำอะไรจะนี่ะ เจา้าคณาตำบลนพบไปจังหวัดภาคก็มีไว้ทำอะไรกลยไม่มีองหมายเลยนะยวัทีเ่เป็นอยู่เนี่ยอย่างเช่นวัดหลวงพ่อพวัดสัพพยาสรุปสุดท้ายก็คืนให้ท่านแต่ว่าติดกุกกไปแล้วโชคดีที่ท่านไม่เปล่งวาจาคำลาดิกขาแต่บางแห่งได้บางครับท่านเปล่งวาจาด้วยนะก็ถือวสวยไป ทีนี้กรณีอย่างนี้เป็นตัวอย่างสมมติมันเกิดขึ้น่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้กรรมการกรรมเกินชาวบ้านเเราต้องเข้าใจสถานะไม่ว่าที่ไหนก็ตามคนที่ชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีอันนี้เกิดเรื่องปกติเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะให้ประสาบว่าตั้งแต็หนึ่งตัวหลังหนึ่งตัวหลัมีผลหมายถ่ง คืมติมอสอเปนก็เท่าออกฎหมายของพระสงฆ์ถ้ามอสอมีมติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามประมาณอันนี้ก็แจ้งให้พวกเราทราบใเนเบื้องต้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ตอนนี้เขาก็ตั้งล้วตั้งเป็นผู้ประชาการผู้บังคับการระดับจังหวัดอ่สะสภากลจังหวัดสํานักพุทธ ซึ่งก็ไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยแต่เขาก็จะมาตรวจสอบในเชียงใหม่ก็เริ่มเริ่มจากวัดหลวงก่อนป่าหมายวัดหลวงแา่วัดเราคง้นอะไรใช่ทีนี้ประเด็นก็คือถ้าสมมติว่ารู้รู้แล้วว่าวัดนี้มีรรนรับมีรายจ่ายเท่าไหร่ ประโยชน์ที่จะรับคืออะไรถ้าจะตรวจวัดทั่วประเทศอย่าลืมวัดบนดอยที่ท่านบ า, บางวัดอยู่เพราวัดองค์เดียวกินที่หมดทั้งปีก็ไม่มีชาวบ้านก็กินยังไง ก, กินอย่างนั้นอย่าลืมไปตรวจไปดูท่านด้วยนาะอย่าลืมไปดูท่านด้วยนะบางวันต้องมาม่ากินนะ อย่าลืมท่านด้วยไฟฟ้ายังไม่มีเลยอืมอย่าลืมท่านเดินลงวิทยาบาสตร์องสามกิโลไปวิทไา้หสตร์ไปกลับหกกิโลอย่าลืมไปดูท่านด้วยนไม่ใช่เอาที่วัดไดรวยๆอยากไปดูวัดไหนก็ไปดูโดยอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ถ้าทำอย่างนี้ก็ได้มันเรื่องของคำถามต่อไปคือทำไมเฉพาะเกิดวัดพุทธอย่างเดียว ศาสนาอื่นเอาด้วยไหมคิดการยุ่งกับเขาไหมอิสลามมักล้ากล้าไ ป, ปรตรวจปัิยสธเขาไหมเขาก็ได้งบงบประมาณเหมือนกันเนาะงบประมาณนี่ทุกศาสนาเราไม่กล้าไปตรวจมเลยงบประมาณที่ได้หรือการอะไรไม่ได้ก็มันคืออะไรไม่เข้าใจที่ไปที่มาคืออะไรเนีมันต้องอ ย, ยุ่งยากอืม กลับมาที่เดิมสบายดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าที่นี่ <Yeah. S 1> เห็นไหเขาอยู่ท่ากลางเนยนหลวงท่านถึงตัดเอาไว้ให้หลวงพูดคำไหนมันโอธรรมะของพระองค์ไม่ธรรมดาคนหลวงไม่ธรรมดาในหลวงต้าตัดไว้กับพวกนี้บอว่า ให้พวกเราช่วยกันดูอย่าให้คนไม่ดีมีอำนาจบอกคนไม่ดีมีอำนาจถ้ามีอำนาจอะไรก็เนี่ยอันนี้คือหลวงแล้วท่านก็พูดต่อพอีกถ้าเป็นประโยคต่อเนื่องแต่มันคนละปีมันบอกให้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาถ้าจะรับประโยชน์ ให้เข้าใจให้เข้าใจแปลว่าให้เข้าใจพวกเขาจะเข้าหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เข้าใจว่าหมู่บ้านนี้เขาขาดเขาเหลือเขาอยากได้อะไรสถานะเขาเป็นอย่างไรนไปเข้าใจเขานะเขาถ้ามาหา ก, กินอะรเขาทาอะไรได้บ้างเขาปลูกกระลำ ปกเลี้ยงกี่ไปเอาลำใหญ่ให้เขาเนี่ได้ไหมเนี่ยนีเขาเข้าใจเข้าใจความต้องการเขาเคือปลุกเร้าเข้าใจเข้าถึงก็คือเอาสภาพกําลังที่มีทั้งหมดเข้าถึงคือเข้าถึงหมู่บ้านเมื่อเข้าใจแล้วเข้าถึงเข้าถึงแล้วลงมือพัฒนาความหมายคือทําให้ดีขึ้นทําให้เจริญ เนี่ยหลักการเหมือนเนี่ยทุกวันมันเราเป็นอย่างนี้ไหมมันไม่เป็น่นเราไม่เข้าใจเราไม่เคยเข้าถึงเราก็ yeah. ไม่เคยมยีการพัฒนามันถึงเป็นอย่างนี้คือไม่เอาของธรามมาปฏิบัติกรบฉัชเป็นธรรมะนะในทางธรรมะในทางธรรมะมันเราเรานะขาเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะตัวเรานี่ก็เช่นเดียวกันตัวเราคือสังขารท่าสี่กัน5านี่ เรามีความเข้าใจธาตุสี่ขันห้าของเรามากน้อยขนาดไห น, นคาว่าเข้าใจนะทุกวันเนี้เราเข้าใจหูตัวเองขนาดไห น, นเข้าใจตาตัวเองขนาดไห น, นเข้าใจปากตัวเองขนาดไหนเข้าใจจมูกเราหายใจขนาดไหนเข้าใจนะคาว่าเข้าใจลึกซึ้งนะเข้าถึงก็คือให้มันอยู่ใกล้ตัว ไก่ตาไก่หูไก่ปากเนี่ยก็ถึงก็คือเข้าใจเข้าถึงก็คือเข้าใจเข้าอยู่ในใจแล้วก็พัฒนาพัฒนาคือภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มีทำให้เป็นทาให้เจริญขึ้นนะครับถ้าเราทำครบสามอย่างเข้าใจเข้าใจตัวเราเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นด้วยจะเข้าถึงคือเข้าถึงใจ ให้เข้าถึงใจจริงๆแล้วก็พัฒนานี่้นความหมายก็ที่พระองค์ตรัสว่าเข้าใจเข้าถึงพรมารรมลึกซึ้งแล้วถ้าเราเอาแค่คำสามคำเอามาใช้ในชีวิตปัจบันคือเข้าใจอ ย, อ, อยู่ด้วยกันก็อยู่ดูความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงจิตใจจริงๆก็จะสภาวะจิตใจทั้งสภาวะที่เป็นทางกายภาวะที่เป็นทางใจ แล้วก็ช่วยกันพัฒนาคือทำให้ดีขึ้นทำให้เจริญคือทำให้ฉลาดแล้วเด็กกุศล น, นี่ยป็นเพราะจิตลุนล้วนเพราะนั้นถ้าพระองค์ไม่เข้าใจไม่ได้ปฏิบัติคงตัดไม่ได้อย่างนี้เพระาะนั้นคำพูดแต่และประโยคสมัยก่อนที่พระองค์ออกมาปีหนึ่งออกมาพครั้งนึ่งมาเจอเผยคราปราะชาชนประสบค์นิกร พ้าเราตั้งใจฟังอวายของท่านน่โอ้สุดยอดบางคนก็ออกมาต่อต้านคือคนอที่ไม่เข้าใจอ่ะโง่และอะุดชลาบหลังเชิมันบอกพอองบอกว่าพอเพียงเบอกว่าถ้าประเทศชาติมีความพอเพียงมีการพัฒนาเขวาว่าพอพอใจแค่นั้นจะจะไม่มีการพัฒนาคือไม่ดีขึ้นหรอกเพราะพอใจแค่นั้น เรืปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนคำว่าพอเพียงคือยินดีพอใจในสิ่งที่เองมีอยู่ส่วนที่พัฒนาก็เรื่องของการพัฒนาไม่ได้เกี่ยวกันเหมือนคำว่าอิ่ ม, มอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราไม่ต้องอิ่มใช่ในขณะที่อิ่มเราก็ไม่ต้องกินเพราะเรากินแล้วคิดเรว่าอิ่มแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่หิวหะอกมันหิวก็ต้องกินอีก อันนี้คือธรรมะที่เป็นเรียกว่าที่เราไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแล้วเราคอยเราคอยโอกระอี่โกก็คือน้อมประหาตัวเองมันก็ฝากทั้งหมดทั้งหวดนั้นเป็นกติเป็นข้อคิดเอาแค่พ ร, รัดำรัฐ ร, ราชดำรัดในหลวงของเราไม่กี่ปีเรามาคิดมาพิจารณามาตบทวนเอามาใช่จริงๆริงก็มาใช้กับตัวเราเองคือใช้คือใช้ชในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นคุณค่าเราก็เป็นอมตะก็ ค, คือไม่ตางก็เคยใช้ได้ตลอดอันนี้แค่ในหลวงตีนี้พระพุทธเจ้าของเราที่จัดเอาไว้เราเคยได้นำสิ่งที่ พ, พระพุทธเจ้าวางไว้ก็เรียกทมวินังเอามาใช้จริงจังหรือเปล่า เริ่มต้นจากพระสงฆ์องค์หนึ่งที่มีหน้นาที่โดยตรงที่มีผลกระทบและมันกระเทือนแรงก็เพราะว่าเราไม่ทําตามพระธรรมดีไหนทีพ่พระเจ้าฝากเอลไว้สองคำนี้ทํำกับอีในที่พระเจ้าต่าสว่านี่คื อ, อ, อ, าาคอาศาสดาทำอีิ น, นัยนี่แหละจะเป็นาศาสดาของผู้เทอทั้งหลายเห็นไหม อาจัดไว้อย่างนี้ทําคืออะไรวินัยคืออะไรตอนนี้เอาแต่ธรรอย่างเดียววินัยไม่เอาพระก็เพราะว่าตอนเนี้ยมันหย่อนหย่อนเรื่องวินัยนี่แหละมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกวาจารณสายป่าทั้งหลายเลยท่านเห็มีปัญหาของนี้เพราะว่าท่านจริงจังกับเรื่องวินัยแม้ของนิดเดียว น, น, นายของวินัยที่เป็นแค่ทุกข์กดท่านอย่าเอาใจใส่เลย ต้องอยู่ต้องกินต้องดืม่มต้องยืนเดินนัง่งละเอียดเดินกินก็ไม่ได้มีในของพระนะในขณะที่กินอยู่กับพูดไปเรื่อยก็ไม่ได้อันนี้คืออวบะอะไรเล็กน้อยนะแต่มันไม่มีส่วนใหญ่กินไปคุยไปเลยวก็พระใหญ่ตั้งโต๊ะตั้งวงยัดอะไรเข้าปากก็ยังไม่รู้เลยเครียดไม่สติเมื่อกี้ บรานั่งฟังนั่งฟังเราไหวพระสวนมน์มนแต่ถ้าเป็นแปลเป็นภาษารเราถ้าคนรู้เนระื่องถ้แปลเป็นภาษารเราเนี่ยเป็นคําที่พร้อมมากเป็นคําที่ดีที่เราสวดทุกวันนึงคือคำหนึ่งที่เราใช้คือยะถาสติยะถาพลางังสวดทุกวันที่ยะาสติคืออะไร ยถาพลังคืออะไรเอาเนว่าสติคืออะไรก่อนใช้สติอย่างไรคนที่มีสติกับคนที่ไม่มีสติต่างกันยังเอาพลังคือกำลังคนที่มีกำลังกับคนที่ไม่มีกำลังเอาแค่กำลังกายก่อนคนที่มีกำลังเกิดอะไรขึ้น เมื่อวานเจอคนบอกไม่สบายหัวเป็นอะไรเขาเคยบวชพระสองรอบสามรอบแล้วครั้งละสิบกว่าปีก็มีครเจปีก็มีบวชมาหลายรอบแล้วเป็นโรคอะไรงเขาเลยขอดูบัตรทายบัตรเอาไว้ นุ่มกับหลกวกพ่อสิบกว่าปีหน้าตาปอนาสักเจ็ดสิบแล้วถามว่าเป็นอะไรัเป็นโลกตับกินเหล้าหรือเปล่าครับตับเกือบหมดอยู่แล้วท่านนี้จะอยู่ได้กี่ปี หมอว่าถ้าถ้าผ่ า, าถ้าตัดออกก็จีวิตได้อีกหลายปีอยู่ทางง้างเจ็ดปดเดือนพวเราก็ดูเลยบวดเป็นสิบสิบปียี่สิบปีสี่นี่คือสตินะยะถาสติเป็นยังไงโอยะถาพลังเป็นยังไงยะถาสติยะถาพลังเนี่ยนะ ก็จะทำร้ายตัวเองกนรอวันพวกเราถือผู้โชคดีสุขภาพห น, นในก็พูดถึงสุขภาพแรงงานสุขภาพก็เลยวันที่สายสาหลังจากทำทุกอย่างสุขภาพของเขาก็จะดีไปเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอสแกนอบทุกอย่าง คนออกมาแล้วดีคือมันสุขภาพมันดีนะไม่ใช่ดีหมดนะดีหมดคือไม่มีดีนะทําไม้มีดีเนยุ่งเลยนะว่ดดีหมดคือดีมันหมดแล้วมันคือมันไม่มีดีอืม ออมมืพระพระองคหนึ่งของเอตอนนี้ท่านเป็นพระที่ไม่ดีพระไม่มีดีตัดดีออกแล้วเป็นพระที่ไม่มีดีก่ตัดดีออกแล้วโอ้ลาบากวันอันนี้คือสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่ห่วงเพราะว่าตอนนี้ก็โดยภาพเพลก็ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ก็ยังทำงานได้เยอะได้เยอะ ก็ทั้งหมดทั้งมวเนี่ก็คือให้ถือว่านี่ก็คือคือธรรมะคือพ่อแม่ครบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เป็นฝ่ายไหนถ้าเราฟังเมื่อไหร่ก็ชื่นใจในแนวนปฏิปทาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แม้เป็นในหลวงของเราคือในหลวงหลอเก่าของเราเป็น ท่านเป็นนักปฏิบัตนินะไงหลวงรังเกอไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ไปคุยที่อย่างหลวงปู่แหวนไปคุยที่เป็นชุกองชุกวมงขับรถไปเองมา่อพระธาท่านมาผู้พิงเมื่อไหร่มาถึงก็คืนก็ไปยังคืนขับรถไปเองนะหลวงปู่พระท่านจะเคารพหลวงปู่มาหลวงปู่เข้าโรงพยาบาลกับพระพ่ององมันจริงในตัวหลวงปู่เองไม่ผ่า ยังไง้วกเก็ไม่ไปแต่เดืผ่าตอนผ่าหัวเขาตรงกระดูกสะบาตัว น, นึงเขาจุูที่ทนันพรือที่ในหลวงในหลวงของเราเป็นเป็นคืออุปถัมป์บำรุงเดียดเข้าใจศา ส, สนาเขาใจครวาจังอย่างมากมา ก, มากไ ม, ม่ธรรมดาแล้วก็หายากประศัตรตรงไหนทุกปงหายากที่จะเดิมเลยรอยตามนี้ยากยากมากๆ ดังก็ขอฝากธรรมะทั้งหมดทั้งมวลนะถือว่าเป็นคติเป็นข้อคิดให้อุปนัยยโงน้องค่าเทือกเองเข้าใจเข้าถึงพัฒนานนคือการปฏิบัติเราปฏิบัติทุกวันนีงก็เพื่ออันนี้แหละเพื่ออะไรเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจตัวเราเองรู้เท่าตันตัวเเองเข้าถึงก็คือเข้าถึงใจจริงๆเมื่อวันหนึ่งสภาวะหรือสุขภาพจิตของเรา มาลำบากในการแก้ไขภายในจุดเองเขา้าใจพอถึงแล้วก็พัฒนาเมื่อรู้ว่ายังพัฒนาไม่ถึงก็พัฒนาก็คือคำว่าภาวานาเนี่แหละทาให้มีทำให้เป็นทำให้เจริญขึ้นก็ฝากพวกเราทุกคนสามคำไม่ได้เยอะเลยเราไปนี่พิจารณาโอป น, นิโกนั่งลงเมื่อไหร่ก็ให้พิจารณาเออเข้าใจมันเป็นยังไงเข้าใจอะไรเข้าถึงเข้าอะไรแล้พัฒนาพัฒนาอะไรแค่เนี้การปฏิบัติของเรา ในแต่ละที่ในแต่ละครั้งมันก็จะเจริญก็คือภาวนานนแล้วนะเจริญนั่นคือพัฒนานั่นเองพัฒนาทุกวันเข้าใจทุกวันเข้าถึงทุกวันพัฒนาทุกวันอย่างนั้นชีวิตเราก็จะดีขึ้นถึงแม้ยังไม่หมดไม่พ้นเราก็จะเป็นคนมีบุญหลวงปู่ประสิทธิ์มันบอกว่าคนมีบุญจึงได้ทําบุญ ความหมายก็คือเราถ้าไม่มีบุญอ่ะไม่มาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เกิดเป็นอย่างนี้นะถ้ามีบุญเรียกว่าคนมีบุญคนมีบุญจึงได้มาทำบุญเพื่อต่อเติมเสริมบุญให้มันมากขึ้นความหมายอย่าไปคิดเออเรามีบุญอยู่แล้วไม่ทำอะไรเลยมันหมดเป็นนะบุญมันหมดเป็นถ้าเราไม่ต่อบุญนี่ถือเรามาต่อบุญ คนมีบุญจึงได้ทำบุญอย่างที่เร า, าทำธรรมกันนี่อายทานสิมรมนาแต่เมื่อวานสองวนังวนเรื่องเดียวกันหนึ่งพวกเราเรช่วยกันตั้งโรงพักอย่างเงี้ยผู้มีบุญจึงได้ทำบุญเพราะมันมีเหตุบุญมันจึงได้ทำบุญทำมีเหตุเราคงไม่ได้ทำเนี่ยเหตุแห่งบุญมันเป็นอย่างเงี้ยกรโขดนโมทนาเหตุแห่งบุญแล้วความเป็นผู้มีบุญทั้งหลายเหล่านี้ต้องปู่ท่านกล่าวไว้หลวงปู่สิม กันเอาไว้ ว, ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายอขอให้เราทั้งหลายได้มีบุญเป็นที่พึ่งของด้านจิตใจขอเอาเวทนาความดีก็ อ, อย่าลืมนึกถึงบุญอันนี้บ่อยๆใจเราก็จะอยู่กับบุญใจก็จะเป็นใจบุญแปลงคำก็จะเป็นการใจบอเบาปประกอบเวทนากับพวกเราทุกคนคือ เริ่มต้นแล้วก็ต่อมาแล้ก็จนสุดท้ายปายทางทุกคนคือไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นได้ยินได้ฟังแค่อาโมขนาก็ถือว่าได้บุตรแล้ ว, วขอโอมนาความดีพวกเราทุกคนขอความดีของพวกเราที่ทามาทั้งหมดนี้จนถึงแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายงงผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้น